วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สองมกราคมพุทธศักราช2569เป็นวันหยุดพิเศษเนื่องจากเป็นวันที่อยู่ระหว่างวันสิ้นปีและวันปีใหม่คือวันที่หนึ่งคือวันที่สามสิบเ็ดและวันที่หนึ่งและอยู่ ระหว่างวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์ที่สามวันอาทิตย์ที่สี่วันศุกร์นี้เลยเป็นวันหยุดเชื่อมต่อเพื่อให้ได้มีวันหยุดติดกันห้าวันด้วยกันเพื่อพี่น้องชาวไทยจะได้ไปพักผ่อนไปทำภารกิจอะไรต่างๆวันนี้ก็เป็นวัน หยุดวันที่สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำงานจึงได้เอาเวลานี้มาเข้าวัดเพื่อมาทำภารกิจยูธุระที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายให้กับสาธุชนผู้ปรารถนา การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เอาไปทำให้สำเร็จรู่เรืองไปเพราะถ้าได้ทำให้สำเร็จรู่เรืองแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหมดสิ้นไปภพชาติที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นเวลาอันยาวนานก็จะสิ้นสุดลง การทำธุระทั้งสองธุระนี้เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าปรารถนาวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์และปรารถนานิพพานคือไม่มีการเงียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปต้องหาเวลามาทำธุระที่พระเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้สำเร็จให้ได้ ดังนั้นเ ม, เมื่อเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงควรใช้เวลานี้มาให้กับการทำธุระที่พระเจ้าได้ท่งว่าหมายให้ให้กระทาเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต่อไปธุระทั้งสองนี้ได้แก่อะไรธุระที่หนึ่งเรียกว่าคันถะธุระแปลว่าการศึกษาเรียน คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนํำมาไปปฏิบัติคือไปทำทุระข้อที่สองเรียกว่าวิปัสนาทุระคือการทำให้สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินั้นปรากฏขึ้นมาในใจให้ได้เพราะถ้าสิ่งที่พู้เจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติแล้วสามารถนําให้ปรากฏขึ้นมาในใจได้ ทำที่เราเอามาปรากฏในใจของเรานี้ก็จะสามารถจำจัดต้นเหตุความทุกข์ต่างๆและความทุกข์ที่เกิดจากต้นเหตุนี้ให้หมดสิ้นไปได้นั่นเอง mm hmm. นี่แหละคือธุระหรือภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้กับผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้นำเอาไปปฏิบัติ ก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติมาก่อนเมื่อทรงได้ปฏิบัติแล้วได้เห็นผลนั้นแล้วนั้นประเสริฐของวิมุตตินิพพานของการดับของความทุกข์ต่างๆของการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็เลยทรงมีความปรารถนาดี มีความกรุณาเมตตาที่อยากจะให้สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้หลุดพ้นได้เข้าสู่พระนิพพานดินแดนอันกเกษมสำราญที่มีบา ร, รมีสุขคือปรมังสุขขังคอยต้อนรับพวกเราอยู่ แต่การที่เราจะไปถึงวิพาน์ได้ที่เราจะหลุพ้นจากกองทุกข์แห่งการเงินว่ายตายเกิดได้เราจะเป็นจะต้องทำธุระสองธุระนี้ให้สมบูรณ์ธุระข้อที่หนึ่งคือคันธาธุระหมายความว่าให้เราศึกษาวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ทมที่พทะเจ้าทรงสอนหรือวิธีที่เราจะต้องนำออกไปปฏิบัินี้ก็มีอยู่สี่ข้อใหญ่ๆด้วยกันคือข้อที่หนึ่งให้เราทำบุญทาทานข้อที่สองให้เรารักษาศีลข้อที่สามให้เราฝึกสมาธิข้อที่สี่ให้เราศึกษาธรรมะให้เกิดปัญญา ขึ้นมาเราต้องมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาในอยู่ในใจของเราเมื่อเรามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วมอกผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้น <c oughs> ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปดังนั้นเราต้องมาศึกษาว่า ทานเป็นอย่างไรศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรแล้วก็ศึกษาดูว่าวิธีที่จะทําให้ทานศีลสมาธิและปัญญานี้เกิดขึ้นมาในใจของเรานี้ต้องทําอย่างไรบ้างข้อที่หนึ่งคือทานทานแปลว่าการให้ให้อะไรให้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มีมากเกินไป ที่เราไม่สามารถที่จะใช้หมดหรือเอาไปกับเราได้เวลาเราตายเงินทองนี้มีไว้สำหรับรับใช้เรารับใช้ร่างกายและจิตใจของเราให้เกิดความสุขไม่ใช่มีไว้เพื่อมาให้สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราบางคนมีเงินทองมากๆแต่มีความ่วงเมื่อมีความ่วงก็เลยมีความโวง เมื่อมีความห่วงก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมแทนที่จะมีเงินทองแล้วมีความสุขใจว่าโอ้เรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราไม่เดือดร้อย<ม>กลับไปคิดว่ากลัวว่ามันจะหมดกลัวว<ม>่ามันจะหาย<ม><ม>ถ้าไปคิดอย่างนี้เงินทองที่มีอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสุขแต่เป็นทุกข์<ม><ม>เราต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ว่าเงินทองที่มีนี้มีไว้เพื่อรับใช้เราไม่ใช่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราวิธีที่จะทําให้เงินทองนี้มารับใช้เราทั้งทั้งทางกายทั้งทางว่าทา ง, ง, ง, งใจต้องทําอย่างไรทางกายเราก็เอามาใช้กับปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุข แต่การใช้จ่ายก็ควรจะใช้จ่ายในลักษณะของความมากน้อยสันโดษคือไม่ใช้มากเกินไปไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ใช้ที่จะทำให้กลายเป็นปัญหาขึ้นมาคือจะทำให้เงินไม่พอใช้ได้ถ้าใช้แบบฟุ่มเฟือยถ้าใช้แบบโลบถ้าใช้แบบอยากจะได้แต่ของหรูหราของแพงๆอย่าง ถ้าใช้แบบนี้เงินทองก็อาจะไม่พอใช้ได้แต่ถ้าใช้แบบมางน้อยสันโดษใช้ตามความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการอะไรก็หามาให้ไม่จำเป็นจะต้องมีราคาแพงๆของชิ้นเดียวกันของอย่างเดียวกันราคาอาจจะต่างกันแต่ก็ทำประโยชน์ได้เท่ากันเช่นอาหาร กินมื้อละร้อยหรือกินมื้อละพันมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันคือให้ความอิ่มกับร่างกายดับความหิวของร่างกายได้เหมือนกันดังนั้นถ้ามักน้อยก็กินแค่มื้อละร้อยก็พอไม่ต้องไปกินมื้อละพันอย่างกินมื้อละร้อยนี่กินได้อีกสิบมื้อด้วยกันถ้าถ้ากินมื้อละพันนี้กินได้มื้อเดียวอีกสิบมื้อก็ต้องอดนะห้คิดแบบนี้ ้เราจะได้มีเงินเหลือเฟือเหลือใช้เหลือกินมีทรัพย์สินมากน้อยเราก็แบกไว้เป็นสองส่วนให ญ, ใหญ่ส่วนหนึ่งก็มีไว้สำหรับร่างกายที่เราต้องใช้เราก็คำนวณดูว่ามื้อหนึ่งเรากินสักกี่บาทอะไรเป็นต้นปัจจัยสี่เราจะต้องมีมากน้อยเพียงไรก็มีไว้แล้วก็บวกสำรองไว้บ้างเผื่อวันข้างหน้าถ้าเกิดงินรายได้ขาดเราก็จะได้มีเงินสารองเข้ามา ชดใช้กับรายได้ที่ขาดไป น, นี่ส่วนหนึ่งนีไว้สาหรับเลี้ยงดูร่างกายมีการเลี้ยงดูร่างกายมีปัจจัยสี่ร่างกายก็สขสบายไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนอีกส่วนหนึ่งก็มาเลี้ยงดูจิตใจการเลี้ยงดูจิตใจเลี้ยงดูอย่างไรถึงนี้เรเลี้ยงดูจิตใจให้มีความสุขก็เอาไปทาบุญทำทานนี่ถ้าเราสังเกตดูเวลาเราทาบุญทำทานนี้ ใจของเราจะมีความสุขใจอิ่มใจมีความเพิ่มปิติอันนี้แหละคือบุญความสุขใจที่จะเป็นอาหารของใจที่จะดูแลใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้จะไม่หิวโหวยจะไม่หิวโหวยกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะใจมีอาหารคือบุญคอยเลี้ยงดูอยู่ แล้วบุญนี้แหละที่จะเป็นผู้ที่จะพาใจให้ไปสู่สุคติต่อไปด้วยเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญนี้ก็ยังจะมีอยู่ในใจก็จะพาให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพอบุญหมดกลับมาเกิดใหม่ก็จะมีเงินทองรอเราอยูเ่เงินทองที่เราไปทำบุญนี้มันไม่ได้หายไปไหนมันไปอยู่ในธนาคารบุญของภพหน้าชาติหน้า ถัดหน้าเราก็ไปเกิดเป็นรูปคนมีสตางค์เป็นต้นมีฐานะร่ำรวยไม่ต้องดิน้นรนไม่ต้องไม่ต้องดิน้นรนหาเงินหาทองให้เหนื่อยยากเพราะเป็นเงินที่เราได้สะสมไว้ในอดีตชาตนินี่คือหน้าที่ของเงินทองที่เรามีอยู่อย่าใช้ความโลภใช้ความอยากได้มากๆโดยที่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรขอให้มีมากอย่างเดียวกลัวจะอดไม่ต้องกลัวอด เราก็ทำมากินของเราไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งเราก็เก็บสำรองไว้รับประกรันได้ไม่มีวันอดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเงินทองถ้าหวงถ้าห่วงเก็บเอาไว้ใจก็ไม่ได้อาหารใจก็ไม่ได้ความสุขใจก็จะหิวโหยใจก็อยากจะหาความสุขทางลาบยุสารเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรส mm hmm. ก็เลยกลับจะต้องใช้เงินไป ไปซื้อสิ่งที่ไม่เป็นอาหารของใจแต่เปญนยาเสพติดของใจไปเสพรูปเสียงกลิ่นรดด้วยการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆด้วยการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอะไรเป็นต้นการใช้เงินแบบนี้แหละเป็นการใช้เงินที่จะทําให้เงินจะหมดได้เพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดใช้ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไปเที่ยวมามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้ามากี่กี่ใบก็มันก็ไม่พอพอซื้อมาได้ไม่กี่วัน เ, เห็นใบใหม่ เ, เห็นรองเท้าคู่ใหม่ก็อยากจะได้เห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ก็อยากจะได้กนะ็<ม>อันนี้ไม่ควรเอาเงินทองไปใช้ในรูปแบบนี้<ม>เขาถ้าจะใช้เงินทองแบบนี้เก็บไว้สำรองดีกว่าเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าเราไม่มีไรายได้เราก็จะได้เอาเงินนี้ไปซื้อของจําเป็นได้ แต่เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของผู้ป่ออยต่างๆนี่เราไปขายไม่ได้กี่ตังค์นะซื้อมาซื้อมาพันหนึ่งนี่ขายได้แค่ร้อยบาทก็โชคดีแล้วนะง mm hmm. ั้นอย่าไปใช้กับของเหล่านี้มันไม่จำเป็น mm hmm. แต่ทั้งพระเจ้าบอกวิธีดีที่สุดก็คือเอาไปทำทาน mm hmm. เพื่อเราจะได้ลดความตนีลดความโลภ mm hmm. ลดความทุกข์ที่เกิดจากความหวง mm hmm. ความห่วง แล้วมันจะทําให้เราไม่ต้องดิ้นรนหาเงินมากไปจนเกินไปแล้วมันจะทําให้เรามีใจเมตตาเพราะการการให้ข่าวของเงินทองผู้อื่นนี้มันต้องเกิดจากความสงสารผู้อื่นหรือเกิดความปรารถนาที่อยากจะให้เขามีความสุขมันก็จะทําให้เรามีความเมตตาเมื่อเรามีความเมตตามันก็จะทําให้เราสามารถที่จะ ปฏิบัติทำข้อที่สองได้คือการรักษาศีลได้การรักษาศีลก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่ทำบาปเช่นการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดในการการประพฤติผิดในการการพูดปดหน้าการดื่มสุรายาเม่าถึงเหล่านี้มันก็จะทําให้เราไม่อยากจะทําเพราะเรารู้ว่าถ้าทําไปแล้วจะทําให้เกิดความเสียหายหกับผู้อื่น ถ้าเราไปมีใจบุญสุนทานคนที่ชอบทำบุญทาทานชอบช่วยเหลือคนอื่นนี้จะไม่อยากจะไปทำร้ายผู้<ม>ก็จะสามารถรักษาศีลได้โดยอัตโนมัติ<ม>ต่างกับคนที่เห็นแก่ตัวไม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่มีความเมตตากับผู้คิดแต่จะเอาประโยชน์ใส่ตนเองเพียงอย่างเดียวถ้าต้องการอะไรก็จะหามาให้ได้โดยที่ไม่คำนึงถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้พู่นผู้อื่นจะเสียหายเดือดร้อนยังไงก็ไม่สนใจเพราะว่ามีความโลภอยากได้ของที่ตนเองอยากได้คิดถึงประโยชน์ของตนเองเพียงฝ่ายเดียวถ้าไม่ทำบุญทำทานนะมันก็จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวก็จะทำให้รักษาศีลได้ยากะงั้นการที่เราจะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงได้นีเราต้องเริ่มต้นที่การทาทานก่อน ต้องต้องเป็นคนใจบุญสุนทานใจกว้างไม่เสียดายรับสินสมบัติเข้าของเงินทองส่วนที่เกินส่วนที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ไม่ต้องมีก็ได้ส่วนที่มีเราก็ต้องเก็บเอาไว้ส่วนที่ต้องใช้กับปัจจัยสี่เราก็ต้องเก็บเอาไว้ส่วนที่ต้องเก็บสํารองไว้เผื่อวันข้างหน้าเราก็ต้องเก็บเอาไว้ส่วนที่เราเยเหลือนี้เราก็เอาไปทําบุญเอามาสร้างความสุขให้กับใจ ให้สร้างความเมตตาให้กับใจเมื่อใจมีความเมตตาใจก็จะไม่เบียดเบียนใครใจก็จะมีศีลขึ้นมาโดยไม่ต้องไปขอศีลจากพระจะไม่ชอบฆ่าสัตว์คนที่มีใจบุญศูนทานนี้จะไม่ชอบฆ่าสัตว์จะไม่ชอบลักทรัพย์จะไม่ชอบประพฤติผิดในกางจะไม่ชอบพูดโกหกจะไม่ชอบดื่มของสุรายาเมาต่างๆก็จะทําให้มีศีลขึ้นมาได้ ศีลนี่ก็มีหลายระดับด้วยกันเบื้องต้นเราก็ต้องต้องสร้างศีลห้าขึ้นมาในใจให้เราให้ได้ก่อนเบื้องต้นก็ต้องมีทานก่อนต้องเป็นคนใจบุญสุนทานทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆไม่เสียดายเงินทงองเพราะรู้ว่าเงินที่เอาไปทำบุญนี้ไม่ได้เป็นเงินเงินที่จะหายไปมันเป็นการแปลงเป็นสมบัติเป็นเป็นเงินทิพย์ให้กับใจของเราเพราะว่าเวลาที่เรา ออกจากโลกนี้ไปเวลาที่เราตายไปร่างกายนี้ตายไปเราจะได้มีเงินทิพติดตัวไปในโลกทิพย์นี้เขาใช้เงินทิพย์เขาไม่ใช้เงินที่เราใช้กันในในโลกของร่างกายเงินของโลกเงินที่ใช้กับในโลกของร่างกายนี้แล้วเอาติดตัวไปไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเอาเงินที่ใช้ในโลกนี้ไปเปลี่ยนเป็นเงินทิพย์ เงินทิปก็คือการทำบุญที่ได้จากการทำบุญทำทานนี่เฉะั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะไม่ได้เสียดายเงินเลยทุกครั้งที่เราทำบุญทำทานเพราะเราไม่ได้เสียเราเพียงไปเปลี่ยนสกุลเงินเท่ั้นเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่เราก็ต้องเอาเงินไทยไปเปลี่ยนปเป็นเงินเยนนะเพราะรู้ว่าเอาเงินไทยไปใช้มันใช้ไม่ได้เขาไม่เขาไม่รับเงินไทยนอกจากเราต้องเอาไปเปลี่ยนที่ธนาคาร ที่โลกทิพย์มันไม่มีธนาคารให้เปลี่ยนเวลาตายไปขนเงินไปเปลี่ยนในโลกทิพย์ไม่ได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนเ<ม>งินต้องเปลี่ยนในขณะ น, นี้โลกทิพย์โลกทิพย์ก็คือโรงทานต่างๆการเปิดโรงทานนี่เป็นการเป็นการเอาเงินเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นเงินทิพย์ขึ้นมาถ้าเราคิดอย่างนี้แนละ้วเราจะไม่เสียดายกับเงินทองที่เราไปให้ใช้กับการทําบุญเพราะมันไม่สูญหายไปไหนมันอยู่ในใจของเราเป็นเงินทิพย์ พาเราไปสวรรค์เวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วเวลาเรากลับมาเกิดใหม่ก็มีธนาคารที่เก็บเงินของเราไว้มาจ่ายให้เราคือพ่อแม่ที่ร่ำรวยนี่ดูเจ้าชายสิทธัตถะนะสมัยตอนเป็นพระเวสสันดรก็ทำบุญทาทานอย่างเต็มที่เลยไม่เสียดายเงินเสียดายทองเลยเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ได้ไม่ได้เสียเงินทองเหล่านี้ไปท่านเพียงแต่เปลี่ยนเงินทองให้เป็นเงินทิปแล้วก็เอาเงิน เงินที่อยู่ในภพนี้ไปฝากเงินในภพหน้าต่อไปท่านเองพอท่านกลับมาเกิดใหม่ท่านก็เลยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีพ่อเป็นพระราชามหากษัตริย์มีประศัตรสามฤดูมีบริษัทบริวารไว้คอยเลี้ยงดูรับใช้อย่างเต็มที่นี่แหละคือทานนทําไปเถิดไม่ต้องเสียดายเงินไม่ต้องเสียดายทองนแต่ก็ต้องรู้จักเก็บไว้แบ่งปันสําหรับตัวเราเองด้วย ไม่ใช่ทำอย่างท่านเราต้องไปเป็นขอทานอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ต้องเลี้ยงดูตัวเราเองเราใช้เงินที่เป็นส่วนเกินส่วนที่เราไม่ได้ใช้หรือจะเอาไปใช้ในในทางที่ไม่ดีก็อย่ า, าไปใช้อย่าเอาไปเอาเงินไปใช้กับการเที่ยวหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้เป็นการไปซื้อยาเสพติดนะัเสพแล้วจะมาทำลายตัวเราเองต่อไปเพราะมันจะเสพไม่พอได้ท่าหลาไม่อิ่มไม่พอ นี่คือฐานกับศีลถ้ามีฐานแล้วเราสร้างฐานขึ้นมาได้แล้วเราก็จะมีศีลตามมาโดยอัตโนมัติเราอย่างน้อยก็จะมีศีลห้าขึ้นมาแล้วถ้าเราอยากจะได้สมาธินี้เราก็จาเป็นที่จะต้องเพิ่มศีลอากศีลห้าไปเป็นศีลแปดเพราะการถือศีลห้านี้จะไม่พอกับการที่จะสนับสนุนการนั่งสมาธิเพราะว่าศีลห้าไม่ห้ามให้เราไปทากิจกรรมทางการอารมณ์ ทางรูกเสียงกิ่รถสินห้าไม่ได้ห้ามไม่ให้เรานอนกับสามีภรรยาของเราสินห้าไม่ได้ห้ามเราให้เรากินอาหารกี่มื้อก็ได้เราจะกินกี่ครั้งกี่หนก็ได้สินห้าไม่ได้ห้ามสินห้าไม่ได้ห้ามนไม่ให้เราไปดูหนังฟังเพลงสินห้าไม่ได้ห้ามให้เรานอนบนผูกนานาเตียงสุขเสียงสบายจะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้แต่ถ้าอยากจะได้สมาธินี้เราต้องตัดความสุขทางกายอารมณ์ไป ต้องเอาเวลาที่เราไปใช้กับการหาความสุขทางการมร ม, มาให้กับการฝึกสมาธิ mm hmm. เราก็ต้องถือศีลแปดเราก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเรา mm hmm. ถือศีลปรามจรรย์เราก็จะไม่กินอาหารมากจนเกินไปไม่กินตามความอยากกินเหมือนกินยากินแค่เที่ยงวันก็พอมื้อหรือสองมื้อก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายแล้วเราก็จะไม่ดูหนังฟังเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัว เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆถ้าเราจะไม่นอนมากเกินไปโดยที่เราจะไม่นอนบนฟูกหนาๆนะเพียงที่คณสุขสบายเราจะนอนบนเตียงที่มันไม่ค่อยสบายคือพื้นแข็งๆเวลาร่างกายได้หลับนอนพอเพียงแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อถ้านอนบนฟูกหนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะลุกใจก็อยากจะนอนต่อไปอีกมันก็จะทาให ไม่มีเวลามาให้กับการนั่งสมาธินั่นเองถ้าเราอยากได้รับธรรมขั้นสูงขั้นที่สามคือสมาธิเนี่ยเราจะต้องถือศีลแปลแล้วต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆอย่างเช่นวันนี้เราไม่ต้องไปทำงานทำการเพราะการจะฝึกสมาธินี้เราต้องฝึกอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับแติวันนี้เป็นวันหยุด เราก็ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่เราจะต้องไปทํางานสมมุติเลิกไปทรรําภารกิจอย่างอื่นต้องปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องจิตถึงจะสงบได้ปฏิบัติอะไรถึงที่จะทําให้จิตสงบก็ปฏิบัติสตินี่เราต้องมีสติแล้เลิกรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานเช่นคําว่าคําบริกรรมพุทโธพุทโธพอตื่นขึ้ น, นมาปับ๊บเราก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ ไม่ว่าเราจะไปทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าหรือทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธคอยสกัดความคิดอย่าให้ใจคิดให้ใจหยุดคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเวลาเรามานั่งสมาธิจิตมันก็จะสงบได้จะนิ่งได้สาเหตุที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบเพราะใจเราคิดอยู่ตลอดเวลา คิดอยู่ตั้งแต่ตื่นมาจนถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธิแล้วเราจะคิดว่ามันจะยอมหยุดหรือตอนที่เรามานั่งสมาธิเราให้มันอยู่กับพุโทโธอยู่ได้แค่สองสามคำหายไปแล้วพุโทโธไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วเพราะเราไม่คอยหยุดสกัดกั้นความคิดไว้ล่วงหน้าก่อนถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิแล้วได้ผลให้จิตรวมลงเป็นอัปปนาสมาธิเป็นคณิกะสมาธิขึ้นมานี้เราต้องมีสติอย่างต่อเ น, นื่องที่เรียกสติสัมปชัญญะ น้าปาชัญญาแปลว่าการต่อเนื่องของสติสติไม่ขาดตอนไม่ใช่พุโทโธได้สองสามวินาทีแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้กว่าจะกลับมาพุโทโธอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็อ๋อจำได้ลืมไปว่าเราต้องพุโทโธมันต้องพุโทโธอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสามารถรักษาพุโทโธให้อยู่กับเราได้ตลอดเวลาเวลานั่งสมาธินี้ไม่กี่นาทีจิตก็รวมได้จิตก็จะสงบได้นะ แต่ถ้าเราไม่สามารถรักษาสติรักษาพุโทโธให้อยู่กับเราอย่างต่อเนื่องได้นั่งไปทั้งวันมันก็ไม่มีวันที่สงบได้ น, นี่คือการกระทำสมาธิทำไมเราต้องทำสมาธิเพราะสมาธิจะให้ความสุขกับเราถ้าเราจะสามารถควบคุมความคิดได้ความคิดนี่แหละที่เป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะความคิดนี้จะถูกกิเลสนำมาใช้เป็นเครื่องมือกิเลสมันจะหลอกให้เราเห็นว่า สิ่งนั้นก็ดีสิ่งนี้ก็ดีได้มาแล้วจะมีความสุขแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็สุขเดี๋ยวเดียวใช่ไหมได้อะไรมาใหม่ๆก็ดีสุขแล้วใบ่สักพักของนั้นมันก็กลายเป็นของเก่าไปพอของเก่าไปมันก็กลายเป็นของเสียไปพอมันไปกลายเป็นของเสียมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องหมดไปเราต้องเอาความคิดนี้มาให้คิดาทางปัญญาขั้นที่สามคือทางปัญญา คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวของดีขนาดไหนได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปซื้อรถยนต์มาดีขนาดไหนใหม่ขนาดไหนใช้ไปปีสองปีสามปีมันก็เริ่มเก่าขึ้นมาเริ่มเสียยางแตกเริ่มมีปัญหาเครื่องยนต์อะไรต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะต้องเก่ามันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องเสื่อม ทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นมีการเจริญขึ้นมาจะต้องมีการเสื่อมไปมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือวิธีคิดทางปัญญาคิดไปเลยทางตายรักอั น, นิจจังอั น, นิจจังคือเป็นของของของชั่วคราวของที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อมเวลามันเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราแต่เวลามันเสื่อมนี่มันจะทาให้เราเศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กัน ถ้าเราเห็นผลที่จะตามมาจากการไปได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้เราก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าไปหาความทุกข์ทำไมาในเมื่อเรามีความสุขจากการอยู่เฉยๆอยู่กับสมาธิอยู่กับการไม่มีความอยากซู้เรามาหยุดความอยากดีกว่าพอเราหยุดความอยากได้เท่านั้นแหะใจก็สงบเกิดความสุขขึ้นมาสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่เราอยากได้สอันนี้แหละคือปัญญาขั้นสุดท้าย ที่จะทำให้เราสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากของเราได้พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจเราก็สงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาใจที่สงบตลอดเวลาสุขตลอดเวลาพอไม่มีตัณหาความอยากอยู่ในใจเรียกวันนิพพานเป็นใจที่จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปเพราะว่าเหตุที่จะพาให้ใจไปเกิดคือตัณหาความอยากมันไม่มีเลยแล้ว มันถูกปัญญากำจัดหมนแล้วการไปเกิดมันก็เป็นทุกข์อีกการมีร่างกายก็ต้องไปทุกข์กับร่างกายกทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายแล้วการได้อะไรมาก็ต้องทุกข์อีกเวลาต้องพัดภาคจากกันนีกนี่คือปัญญาต้องเห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้ถ้าเห็นแล้วเป็นตายลักแล้วก็จะไม่เอาเพราะเห็นแล้วมันเป็นทุกข์ทุกเพราะมันของชั่วคราวเป็นของไม่แน่นอน เป็นของที่จะต้องมีการดับไม่ไย้กต้องหมดไปเป็นอัตตาเราควบคุมบังคับให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ถ้าเราเห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตายรักในลาบยศสลั่นเห็นตายรักในรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ตัดไปเห็นตายรักในร่างกายเราก็ตัดไปเห็นตายรักในเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ตัดไปเห็น เห็นตายักในอารมณ์ของจิตเราก็ตัดไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันเป็นตายลักไปอย่าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเรามันเป็นอนัตตานี่แหละคือวิธีการที่เราจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องมีปัญญาเห็นตายลักในสภาวะธรรมทั้งปวงอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าสัพเพธรรมะอนัตตานี่ นี่แหลอสรุปสุดยอดของปัญญาก็คือสัพเพธรรมานะตาธรรมาคืออะไรก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่เรารับรู้นี่เป็นเป็นธรรมเป็ น, เ ป, นเป็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมทั้งปวงนี้เป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศเราไปควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้เราไปสั่งให้อากาศนี่ดีเย็นไปตลอดทั้งปีไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลาไม่ไม่กี่กี่วันข้างหน้ามันก็เปลี่ยนไปมันก็จะเริ่มร้อนขึ้นใหม่นะ ถ้าเราอยากให้มันเย็นอยากให้มันเย็นไปตลอดเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเรายินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่ทุกข์เราต้องปล่อยวางอยากไปอยากกับอะไรปล่อยให้มันเป็นไปของมันเองมันจะเจริญก็ปล่อยมันจเจริญมันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมถ้าเราสามารถทำใจให้เป็นกลางวางเฉยได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยปัญญาแต่ก่อนที่เราจะมีปัญญาได้เราก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน กอนที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลมีศีลแปก่อนที่จะมีศีลแปดก็ต้องมีศีลห้าก่อนที่จะมีศีลห้าก็ต้องมีทานก่อนเป็นผู้สนับสนุนที่มาของการปฏิบัติทําทั้งสี่ระดับนี้เพราะว่ามันมันเกี่ยวมันมันเชื่อมโยงกันมันต่อเนื่องกันมันสนับสนุนกันทานจะสนับสนุนให้เกิดศีลขึ้นมาศีลก็จะสนับสนุนให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิก็จะสนับสนุนให้ปัญญาทำหน้าที่ ให้ละตัณหาความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เมื่อปัญญาทําหน้าที่ได้เต็มที่วิมุติดูดท้นก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปจิตก็จะดุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวถ้ามีทานมีศีลมีสมาธิมีภ า, าวนาะมีปัญญานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทําให้แจ้งให้ปรากฏขึ้นมาในใจทําให้ใจเรามีทานขึ้นมาทําให้ใจเรามีศีลขึ้นมาทําให้ใจเรามีสมาธิขึ้นมา ทำให้ใจเรามีปัญญาขึนะ้นมาเรียกว่าทําให้แจ้งนีคกว็วิปัสสนาธุระขั้นตอนก็คันตะธุระศึกษาว่าเราต้องทําอะไรบ้างเมื่อเราศึกษาแล้วก็จะรู้ว่าเราต้องทําทานเราต้องรักษาศีลเราต้องนั่งสมาธิเราต้องเจริญปัญญาเราก็ทําไปตามขั้นตอนอย่ารีบร้อนมันเหมือนเรียนหนังสือต้องเรียนปหนึ่งก่อนแึ้วค่อยไปปอสองแล้วค่อยไปปสาแล้วค่อยไปปสี่สมัยนี้อยากจะไปปสี่กันเลย อเริ่มต้นก็อยากจะวิปัสสนากันเลยโดยไม่รู้ว่วิปัสสนาเป็นอย่างไรแล้วทํอย่างไรอันเขาว่าดีที่สุดก็อยากจะได้วิปัสสนาจะได้ดูดพ้นเลยโดยที่ตัวเองยังทําทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้นั่งสมาธิยังไม่สงบไม่มีทางที่จะไปวิปัสสนาได้เลยนขอทำความเข้าใจไว้ต้องใจเย็นๆ เ, เหมือนเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องเข้าชั้นอนุบาลก่อนแล้วก็ไปชั้นประถมแล้วไปมัธยมแล้วค่อยถึงไ ป, ประดับปตรปโทปยตามลําดับต่อไป ขอให้ใจยเย็นๆแต่ขอให้ขยันใจยเย็นๆแต่ไม่ให้ขี้เกียจใจเย็นๆเพื่อให้ขยันอย่ารีบร้อนแต่ขยันทําให้เต็มที่ตอนนี้ทําทานได้หรือยังเสียสละแบ่งปันโดยที่ไม่หวงให้คิดว่ามันเป็นเงินของเราที่เราไปฝากไว้ในธนาคารทริปธนาคารบุญมันไม่หายไปไหนมันเป็นสมบัติของเราถ้าเราไปทําบุญถ้าเกิดเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่บุญเหล่านี้ก็จะมารับรองเราในภพหน้าชาติหน้าต่อไป เี่แหละคือคันถาธุระและวิปัสนาธุระที่ท่านจะต้องนํามาไปปฏิบัติกันในเวลาที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการ ง, งานต่างๆถ้าท่านสามารถทําได้แล้วรับประกรันได้ว่าวิมุติถุดพ้นด้านนิพพานก็จะเป็นสมบัติที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงธรรมสำสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงพอดีเพราะเราได้กําหนดว่าเราจะแบ่งเวลาเป็นสองตอนตอนแรกก็จะ30นาทีเป็นการฟังธรรม ที่เหลืออีกสาสินาทีหรือน้อยกว่านั้นก็เป็นเวลาที่เราจะมาทำทำทำวิปัสสนาธุระหรือมานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบเพราะถือว่าเราก็มีทานอยู่บ้างแล้วมีศีลอยู่บ้างแล้วถ้าไม่มีทานไม่มีศีลคงจะไม่มาวัดเราคนที่ไม่มีทานไม่มีศีลเขาจะไม่มาเข้าวัดคนที่มาวัดได้นี้ต้องมีเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้ก็จะมาอยู่วัดได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมได้ แล้วต่อไปนี้เราจะมาทําสมาธิกันทําใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่จะทําให้ใจเราอิ่มที่จะทําให้ใจเราเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้เพราะความสุขจากความสงบนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆความสงบนี้ความสุขนี้จากความสงบนี้ดีกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรับประกันไนดะ้ถ้าดังสมาธิวันนี้แล้วจิตสงบนี้แล้วได้ไดถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพร้อมกันนี้ จะไม่สนใจกับรางวัลที่หนึ่งเลยไม่เอาดีกว่ายกให้คนอื่นก็ได้เพราะเงินรางวัลที่หนึ่งนี้ไม่สามารถซื้อสมาธิได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติอจริงๆพระพุทธเจ้าทําไมทิ้งสลาราชสมบัติได้ก็เพราะท่านมีความสงบนี้ท่านเคยสัมผัสกับความสงบมาก่อนการรู้ว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนั้นวันนี้เราจะมาทำามํำเราจะมาถูกออตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกัน ในการนั่งสมาธิทำจิตให้รวมเป็นสมาธิขึ้นมาให้จิตสงบเน่งเป้าหมายของการนั่งสมาธินี้ต้องการให้จิตนิ่งให้สงบให้เกิดความสุขไม่ต้องการเห็นอะไรไม่ต้องการรู้อะไรทั้งสิ้นอันนั้นเป็นการนั่งวิปัสสนาคนละเรื่องกันก่อนจะไปวิปัสสนาได้ต้องผ่านสมาธิให้ได้ก่อนต้องหยุดความคิดให้ได้ทําทําจิตให้สงบทําจิตให้มีความสุขให้ได้ก่อนดังนั้นอย่าไปสนใจว่าต้องเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นเปรตเห็นผีเห็นอะไรไม่จําเป็นไม่ ไม่ใช่เป้าหมายแล้วต้องการเห็นความว่างความนิ่งของใจความสุขที่เกิดจากความนิ่งความว่างนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงใจจะนิ่ใจจะนิ่งได้ต้องมีสติคือการระลึกรู้คอยกากับใจให้ระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่ใช้จะผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆอารมณ์เช่นคาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออก หรือการสวดมนต์ก็ได้ถ้าเรายังดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุโทโธไม่ได้ยังคิดมากอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจในท่านั่งสมาธินี้ไปสวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าใจเบาหายฟุ้งแล้วสามารถกลับมาดูลมได้หรือสามารถบริกรรมพุโทโธได้เราค่อยเปลี่ยนแต่ก็สําคัญเวลานั่งนี้ใจต้องอยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาใจถึงจะนิ่งถึงจะสงบได้ ถ้าไม่อยู่กับกรรมฐานเดี๋ยวก็เผลอแวะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอได้ยินเสียงก็ตามเสียงไปแล้วก็คิดถึงเรื่องเสียงนะัเป็นเสียงอะไรมาจากที่ไหนคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะเข้ามาตอนที่เรานั่งสมาธิอย่าไปสนใจเสียงเข้ามารูปเข้ามาภาพเข้ามาหรืออะไรเข้ามาความรู้สึกอะไรต่างๆเข้ามาอย่าไปสนใจไม่รู้ไม่ชี้ให้รู้อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับกรรมฐานที่เราใช้เพียง อ, อย่างเดียวต้องอยู่กับกรรมฐาน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 แล้วคราวหน้าเวลามานั่งก็สามารถใช้วิธีเดิมนั่งต่อได้้าจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบความอยากจะไม่ทำให้มันสงบต้องวิธีนั่งที่เราทำอย่างวันนี้ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อยก็ให้ไปฝึกสติให้มากขึ้นเราสามารถเจริญสติในระหว่างวันได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มพุโทโธพุโทโธไป ทำอะไรเราก็พูดโทรไปมีพูดโทรอยู่ในใจเรื่อยๆก็ถือว่ามีสติแล้วต่อไปเวลามานั่งจิตก็จะสงบได้ได้ง่ายได้นานแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขะลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกะ ป, ปติ ยติตังปัตติตังตุมหังคิพเมวะสมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีตีขายุโกภวะ อภิวาธานาศีีิตสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธมวาวัทานติอายุวโนโสุขังภาลางลำดับต่อไปนี้ก็ <c oughs> เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่ข้อความใส่กระดาษเข้ามาก็ได้ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ก <c> ร <oughs> มาในมัธการพาาระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากูติทาง Facebook 224ท่านทาง y o u t u พระอาจารย์สุชาติ283ท่านทางด็อกเตอรีช46ท่าน วิทยุออนไลน์น 2, ลหนกท่านค่ะเพาส์สองและธรรมะรับฟังนาคุติหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ท่านค่ะรวมทั้งหมดเป็นเจ็ดร้อยสามสิบห้าท่านเจ้าค่ะใครถามอยากจะถามอะไรก็เชิญเข้ามาถามได้นะถ้าไม่มีก็ทาามที่เข้ามาก่อนก็ควงคำถามจากทาง y o u t u ด็อ่เตอร์ฟีค่ะ กับเรียนถามพระอาจารย์ขณะที่นั่งสมาธิมีสภาวะนิ่งเมื่อพิจรารณาดูในความในความคิดรู้สึกนิ่งเฉยไม่เกิดผิติไม่เห็นนิมิตอะไรเป็นได้ช่วงสั้นๆเหมือนหลอดไฟติดๆดดับดับสภาวะนี้ใช้สมาธิไหมปฏิบัติถูกทางไหมคะก็เริ่มเป็นนะถ้ายังไม่นิ่งจริงๆแล้วก็ไม่เกิดความสุขที่มหาสัจ์ใจก็ยังไม่เป็นสมาธิเต็มเต็มตัว เริ่มเข้าสู่ลัทธิของสมาธิแนละ้วแต่ยังไม่เข้าถึงตัวสมาธิทำต่อไปให้มีสติถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปอย่าทิ้งกรรมฐานคำถามจากทางยูทูพระอาจารย์สุชาติค่ะขอเรียนถามเจ้าค่ะคนประสาทบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าค่ะถ้ามีมรรค ก, ก็บรรลุได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นใครมีมรรคแปด เินศีลสมาธิปัญญาก็มันรู้ได้ทุกคนคำถามจากทางอินบ็ค่ะรบกวนพระอาจารย์สอนวิธีเดินจงกรมด้วยเจ้าค่ะเดินจงกรมก็เหมือนกับนา น, นั่งสมาธิเพียงแต่แทนที่จะนั่งก็เดินนั้นเองแต่ใจก็ยังดูลมต่อไปแล้วดูเท้าก็ได้ดูรบริกรรมพุทโธก็ได้เหมือนกันเหมือนกับการ น, นั่งสมาธิแต่ดูลมอา จ, จะยากหน่อยเพราะว่ามันละเอียดให้ดูเท้าดีกว่าดูกัน ดูเท่าที่ก้าวไปก้าวมาหรือใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปจะเดินยาวสั้นก็ได้แล้วแต่ความพอใจของเราทำธรรมดาทางยงกรมเขาจะมีไว้ประมาณยี่้าถึงสี่สิบเก้าด้วยกันถ้าสั้นเกินไปเดี๋ยวมันเวียนศรีรษะมันต้องเดินหลายรอบวนหลายรอบถ้ายาวเกินไปมันอาจจะเพลินเดินทะลุทางยงกรมเลย คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะหลักธรรมข้อต่างๆคือเครื่องมือในการปล่อยวางพิจารณารู้การเกิดดับเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานใช่ไหมครับใช่ถ้าการปล่อยวางคือส่วนหนึ่งในการไปสู่มรรคผลนิพพานหลักธรรมที่เราถือเป็นเครื่องมือเราก็ต้องปล่อยวางในขั้นสุดท้ายด้วยใช่ไหมครับปล่อยก็ได้ไม่ปล่อยก็ได้ไม่สาคัญคาถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ นูเอาคำภาวนาพุโทโธมาบริกรรมค่ะสุดท้ายจิตไปเกาะที่ลมหายใจบ้างบ่อยครั้งที่คำภาวนาพุโทโธไม่สม่ำเสมอหรือคำภาวนาแผ่วลงไปไม่มั่นคงจะต้องแก้อย่างไรบ้างคะก็ลองเจริญสติอย่างต่อเนื่องระหว่างวันไปก่อนให้มีสติอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ เมื่ออาทิตย์ก่อนหนูไม่สบายจึงดูความทุกข์ใจเห็นใจทุกข์กับร่างกายแต่ถ้าใจไม่ไปเกาะกับร่างกายก็จะไม่ทุกข์ใจหนูเลยมีความสุขขึ้นมาหนูดูร่างกายที่ไม่สบายหนูไม่รู้ว่าแบบนี้หนูไม่รู้ว่าแบบนี้เป็นแล้วเห็นว่าต้องมีสติกํากับอยู่ภายในใจใจไม่ออกไปที่อื่นก็จะไม่ทุกข์เห็นแบบนี้เป็นวินปัสสนา ไม่เห็นแล้วใจไม่ทุกข์ใจสงบว่ายวางร่างกายได้ก็เป็นวิปัสสนาคําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะอยากเรียนถามว่าศีลห้าสินห้าข้อหากบุคคลใดหากบุคคลได้กระทําผิดลงไปแล้วในข้อใดข้อหนึ่งใน5้าข้อนี้ศีลข้อไหนมีโทษมากเจ้าคะข้อ1มากกว่าข้อ2ข้อ2มากกว่าข้อ3ข้อสมมากกว่าข้อสี่ข้อสี่มากกว่าข้อห้า ตามลำดับความเสียหายข้อหนึ่งมันมากที่สุดไปทำลายร่างกายหรือชีวิตเขาลองลงมาก็ทรัพย์สินของเขาลองลงมาก็สามีภรรยาของเขาลองลงมาก็โกหกหลอกลวงให้เขาเข้าใจผิดลองลงมาก็เดือนสุราเมาแล้วก็ไปอาละวาดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อนความเสียหายนั้นต่างกันคาถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ การสวดมนต์ข้ามปีมีอันนิสง์มากกว่าการสวดมนต์ในในเวลาธรรมดาไหมเจ้าคะมากน้อยอยู่ที่สงบหรือไม่สงบสวดมากก็สวดน้อยสงบมากก็ได้อันนิสงมากสงบน้อยก็ได้อันนิสงน้อยสวดมากถ้าสวดมากแต่ไม่สงบก็ยังไม่ได้อันนิสงสวดน้อยแต่สงบก็กลับได้อันิสงมากกว่าก็ได้เนั้นถ้าอยากจะสวดแล้วให้มันได้อันิสงต้องสวดด้วยสติ ต้องมีสติกำกับการสวดไม่ให้ปล่อยไปคิดเรื่องนนนีน้แล้วก็สวดไปถ้าอย่างนี้นั่งไปทั้งคืนสวดไปทั้งคืนก็ไม่สงบแต่ถ้ามีสติอยู่กับบทสวดนไม่นานสีห้านาทีก็อาจจะสงบได้คําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะถ้าปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วใจนิ่งสงบควรทําอย่างไรต่อไปคะรักษาความนิ่งไว้ให้นานที่สุดถ้าที่นานได้ คำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะกราบเรียนถามเรื่องการอุทิศบุญและการแผ่เมตตาค่ะคือการแผ่เมตตานี่หมายถึงการมีความไม่ต็จิตกับทุกคนต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันไม่ใช่แผ่ตอนที่เราอยู่คนเดียวขอให้คนนู้นเป็นสุขขอให้คนนี้นสบายแต่พอเจอหน้ากันก็ด่ากันนี่ไม่ไม่ได้แผ่เมตตาเราต้อง การส่วนบทแผ่เมตตาเป็นการศึกษาเป็นการทบทวนวิธีแผ่เมตตาว่าจะต้องแผ่อย่างไรแต่การแผ่จริงๆต้องเกิดจากการกระทําคือเจอกันก็ยิ้มให้กันมีขนมก็มาฝากกันอย่างปีใหม่นี้ก็ทําเค้กส่งมาให้กันกินนี้รียกว่าแผ่เมตตาส่วนการอุทิศบุญก็คือเวลาเราทําบุญทําความดีแล้วมีบุญมีความสุขใจเราก็สามารถแบ่งความสุขใจนี้ให้กับผู้ที่ล่วงละไปแล้วได้ ต้องมีบุญต้องทำบุญก่อนเพน่ี้เกิดเกิดบุญขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดบุญแล้วเราก็สามารถที่จะแบ่งบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ล่งรับไปแล้วได้หมดแล้วเหรอยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะอ่ามีใครอยากจะถามไหมอาจาชิญเข้ามาจารย <c oughs> ถามยังไงดีกว่ามั้ <c oughs> เอาเลยไม่เอาเลย <c oughs> คำถามจากผู้รับฟังน้ากุติค่ะการให้ทานถ้าเราให้กับคนที่เขาไม่ลาบากแต่เขาก็ยังอยากได้เงินอยู่อย่างนี้ได้ไหมคะเช่นลูกน้องเรามีเงินเดือนตามความสามารถแต่ไม่พอใช้เพราะเขาใช้เยอะมากเราเห็นก็สงสารเราเลยให้เขาฮะเราเลยให้เขาให้พอใช้ตามเงินของเราที่พอจะมีแบ่งให้หรือเราต้องให้คนที่ลาบากจริงๆคะเพราะถ้าพูดเรื่องเงินไม่มีใครพอใช้เลยค่ะ ก็แล้วแต่กรณีบางคนมีเงินแต่เราอยากจะให้เขาเพราะว่าเขาอาจจะทำประโยชน์ให้กับเราเราอยากจะทดแทนบุญคุณให้กับเขาก็ให้ได้เช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยท่านมีบุญคุณกับเรามากเราก็อยากจะให้อะไรกับท่านบ้างให้ท่านมีความสุขท่านทั้งที่ท่านก็มีเงินมีทองท่านก็ไม่ต้องการเงินทองจากเราแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องแสดงความกตัญญูกะตะเวทีผู้ที่มีพระคุณกับเรา การให้มันมันเป็นการให้มันผลดีทั้งั้นคือผู้ให้จะมีความสุขใจแต่ผู้รับนี่เราอาจจะต้องดูว่าควรให้มากน้อยหรือไม่อย่างไรแล้วแต่กรณีอันนี้ต้องดูเหตุการณ์แต่ละกรณีไปคําถามจากผู้รับฟังนะกุติคะ่ะอยากรักษาศีลแปดให้ได้แต่ติดซีรีส์ทาอย่างไรให้ไม่ดูได้คะใจมันอยากจะไปดูเรื่อยๆคะ่ะ <ไ>เราจะเริ่มอย่างไรดีคะไปวัดป่าเลยคาถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเวลาที่นั่งสมาธิบางครั้งจิตรวมบางครั้งก็จิตรวมง่ายบางครั้งก็ฟุ้งซ่านเป็นเพราะอะไรคะเพราะสติของแต่ละวันอาจจะไม่เท่ากันวันไหนสติดีจิตก็จะสงบง่ายวันไหนสติไม่ดีใจฟุ้งซ่านก็จะสงบยาก ฉันทวายานเจริญสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งถ้ามีสติดีต่อเนื่องสัมปัชญะญเวลานั่งก็สงบง่ายแต่ถ้าไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านพอมานั่งมันก็ฟุ้งอยู่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะสงบได้คำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะกราวสวัสดีปีใหม่เจ้าค่ะ ข, ขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงคาถามคือว่า จิตปัจจุบันของโยมเห็นความคิดอยู่บ่อยๆว่าถ้าเป็นอกุศลจะรีบตัดจะให้คิดอยู่ในแนวทางกุศลพร้อมใช้ชีวิตในทางเมตตาคำจุนทุกคนตามกำลังเมตตาให้อภัยและเกื้อกูลวนอยู่ประมาณนี้ทำให้จิตมีความสุขใจแบบนี้ทำมาได้จากการฝึกสติสมาธิที่ทำอย่างต่อเนื่องด้วยได้ไถูกต้องต้องมีสติพืาสามารถสั่งใจให้คิดไปในทางเมตตาได้ ถ้าไม่มีสติส่วนใหญ่กิเลสจะคิดไปในทางความเห็นแก่ตัวมากกว่าคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะปกติชอบนำอาหารไปถวายพระช่วงเช้าทุกวันตอนนี้เจ็บป่วยไปไม่ไหวควรทำบุญช่วงเจ็บป่วยอย่างไรได้ครับก็เหมือนเดิมให้คนอื่นเอาไปถวายแทนก็ได้บุญแล้วก็ยังได้เท่าเดิมอยต่แต่เราไม่ได้ไปถวายด้วยตัวเราเองบุญส่วนนี้เราก็ไม่ได้คือความเพียร แต่บุญที่กิจากการบริจากของนี่เราก็ได้เราไปเองได้คนหนึ่งเอาไปให้เราเราก็ได้เหมือนกันคำถามจากทาง Inbox ค่ะวิธีฝึกสติต้องฝึกอย่างไรคะให้ผูกใจให้เราเลือกรู้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูการดูนั่งกายดูการเคลื่อนไหวหการกระทาของร่างกายก็จะมีสติ พุโทโธไปพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันก็มีสติหรือเฝ้าดูว่าร่างกายกําลังทำอะไ ร, รอยู่ก็มีสติกําลังกินก็เฝ้าดูว่ากำลังกินอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้อยู่ดูร่างกายไปตลอดวันอย่างนี้ก็จะมีสติเรียกว่ากายกตาสติถ้าบริการพุโทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะทําไมจิตรวมจึงมีพลังในการเดินปัญญามากกว่าจิตที่ทําสมาธิอย่างไม่รวมครับ คือจิตรวมีกําลังที่จะหยุดกิเลสถ้าจิตไม่ดวมจิตจะยังไม่มีกําลังที่จะหยุดกิเลสได้พอใช้ปัญญาพิจารณาว่ากิเลสเป็นตัวสร้างให้ความทุกข์ก็หยุดมันไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาพอรู้ว่าตัวนี้คือกิเลสตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ก็หยุดมันได้เช่นอยากจะไปเที่ยวเนี่ยมันก็ทําให้เราทุกข์พอไม่เลยไปเที่ยวพอดพอรู้ว่าความอยากไปเที่ยวทําให้เราทุกข์ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็เปลี่ยนใจถ้ไม่ไปก็ได้วะตัดไปถ้ามีสมาธิก็ตัดได้ถ้ามีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขามันก็ยังดื้ออยู่มันก็ยังอยากอยู่นะั่นน่ะมันก็ยังทุกข์ต่อไปหดัดนั้นนะเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็ท่านนี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านชงนำเอ า, าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ